อยาทำมัดต yeah! ัวเองซะหน่อยนะคงจะเหนื่อยอยูเดินทางก็ดีนี่ไปชิมหลายวันแล้วนี่ก็ดีนั่งสนสบายหลังสบายท่าไหนสบายนั่งในตับตป็นนมมือการฟังทำกำเนดจิตกำเนิดใจของตัวเยียฟังฝรั่งเป็นนมมือ ทาธรรมะ <c oughs> ป่าในเหมือนทำมาศึกษาเราเรียนมาถ้ามีอะไรจะปูดไปตามหน้าที่โดยส่วนใหญ่ของ้านการปฏิบัติด้านจิตใจเพราะท่านเคยศึกษาเคยปฏิบัติมาแบบนั้นสําหรับตัณหาที่เคยศึกษาเราเรียนโดยส่วนใหญ่ เมื่อส่งตัการปฏิบัติท่านก็ทอดทิ่งถ้าเป็นเงินก็ต้องหลับจำลาการภาวนาการทําจิตทําใจก็ในก้าวหน้าแต่นั้นท่านวางปล่อยทิ้งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทางตํางหลับจำลาแต่วางด่านสติปัญญาด่านจิตด่านใจของตัวเองเพราะําลามันดูนอก ทางปฏิบัติมันเข้ามาด้านในคือด <rebels>. ูกายดูใจของตัวคืออาจารย์โดยส่วนใหญ่สอนแบบนั้นการประดับรับฟังธรรมจากท่านก็ทํานองเดียวกันให้ต้องไปเราเลืกนึกคิดถึงสำหรับก่อนหาว่าท่านไปเที่อะไรให้เราฟังอานิสงอะไรเป็นอย่างไรให้ต้องไปคํานวณสัดคำนวณคำนึงถึงกำหนดจิของตัว อยู ừ, này ่ภายในแบ่งไปทางหน้าทางหลังสั้งจิดอยู ờ, ่ปัจจุบันทันเทศอะไรสอนอะไรมั่นก็เรือไหลเข้าไปจิตใจของเราหงาเลยมีเศษหงารับอยู่เมื่อได้ยินเสียงนันก็รู้เขาไปจิ้งใจเป็นเรื่องปลอมใจให้ใจสงบนี่เป็นการฟังธรรม หรือทั้งฟังทั้งทมภายในทั้งตัวจิตใจที่อ้วนไหลมนคิดจิดข่องเรื่องต่างๆละถอนปล่อยทิ้งเพราะไม่มีหน้าที่จึงจะไปคิดจะไปทำระยะที่เรานั่งอยู่สถานที่นี้ดูอารมณ์เฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นมาตัวพิจารณามัน กดตกไปเองหมือ <c oughs> เราไม่เกี่ยวข้องี่คือการฟังธรรมะด้านปฏิบัติจิตของผู้ฟังด้วยความตั้งใจอย่างนั้นจิตจะสงบจิตจะสบายจิตจะว่างจากสัญญาอารมณ์ถ้าเราไม่จูดจิตคของกับเรื่อง้นอื่นจิตไม่ขอมาสัมผัส กับอดทำความสุขความสบายความสงบภายในก็ไม่เกิดขึ้นหมาถือว่าเรามาวัดมาวัดดีใจของตัวใจของเรามันชั่วมันเสียมันสูง ม, มันต่ำมันสั่นมันยาวขนาดไหนดูวัดภายในฐานวัดอิรวัตรภาวนาวัดเรามีหรือไม่ เราเพียงพอหรือยังในดูภายในอย่างนี mornings, <charger> ้วัดดูภายในของตัวทานวัดคือการยอมเสียสละการให้ทานเราเดินทางตัมีการเหนื่เหนื่อยเหนื่อยหิวแทนที่จะได้พักผ่อนหลับนอนสะดวกสบายเราก็เสียสละความสุขทางกายที่เราเคย จุกเคยสบายมาให้ทานไปในส่วนนั้นตั้งใจมั่นที่จะระดับรับฟังศึกษาพิจรารณาธรรมนมี่เรียกว่าทานวัดแล้วก็รดกรําบบาเพ็ญอยู่แล้วเพราะเรามานั่งดินี้ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขคาสบายเท่าสิบควรสูกหลับสึนอนทักผ่อน แต่เฉพาะตัวไม่ได้แต่ทิ้งแต่นั้นเราก็มาเห็นตามจําเป็นส่วนนั้นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเท่าอัตธรรมเราจึงยอมเสียสละมานั่งภาวนาระดับรับฟังคำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการมาฟังการมาทําแบบนี้เรายังหมดเคยหรือเคยมาแล้วก็ยังไม่พอในจิตในใจ ถ้าเราฟังไปบ่อยเราฝึกไปบ่อยเราเสียสละไปบ่อยเราจะมีความสุขความสบายภายในใจของเราอาจทำคําสอนของพระพุทธเจ้าาสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้จะได้นําไปที่นีพช่วยจนาแก่ไขใจของตัวที่ของผิดคิดจรงนี่คือทานวัดศีระวัดการรักษาใจวายจา รา ย, ยาที่เรามานั่งภาวนาหนังสังทมกายของเราไม่ไปทำชั่วไม่มีอะไรที่จะเสียหายจิ่จากศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้กายของเราปกติไม่ได้ขฆ่าทีรักขโมย อ, อะไรใครหนังเงียบเฉยนง่งดุ บาจาของเราอยู่ในพูดโกหกปกลมมมเดีพูดคำหยาบจอเสียดเหลือหลายหลายประโยชน์อะไรแล้วเงียบอยู่เด้ <c oughs> ชือว่าสีนของเราบริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันไม่้องไปคิดถึงอดีต ท, ที่ผ่านมาว่าเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ถ้าไปคิดถึงเรื่องอดีต ที่ผ่านมาจิตใจของเราก็วาวเลยจิตใจของเราคงสงบระงับไม่ได้การฟังธรรมที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในสมัยพุทธกาลท่านฟังอย่างพวกเราฟังเรื่องนียรักษาจิตใ้คิดตึ่งไปในอดีตอนาคตยกตัวอย่างองค์จิริมาณโจนเคยฆ่าคนมานับ ไม่ท้วถ้าท่านคิดว่าเราไปทําผิดฆาเขาอย่างนั้นฟันเขาอย่างนี้จิตของท่านก็จะต้อ ง, งวุ่นวายเบียร้อนจะสงบระงับไม่ได้นี่ถ้าไม่ได้คิดไปในแง่นั้นปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไร <c oughs> แตนดูภายในดูปัจจุบันเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อจะไ ด, ะ ด, ดะไ้รับความสุกความสบาย ละถอนยุเหลือัญหาจนเป็นพระอริยบุคคลขึ้นในาศาสนาระยะที่ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ที่เคยทำชั่วทำเสียมาขนาดนั้นพวกเราท่านไม่เคยหาคนเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันดางนั้นจริงหรือสีนของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเสียหายในระยะสี่เรานั่งอย่าไป ยี่ยวข้องดวงคิดในอดีตให้ดูปัจจุบันถ้าเรารักษาปัจจุบันของเราได้จิตในคิคตปรุงไปใจมันก็สงบใจมันก็สบายนี่คือการฟังธรรมการปฏิบัติธรรม้าไในคิดอย่างนั้นมันจะวุ่นวายเดือดร้อนคิตปรุงไปย่างเงีางต่างๆแทนที่จะสงบ จ่สบายของวุ่นวายเรื่อยไปโดยไม่ได้อะไรจากการฟังธรรมเมื่อจิตในสงบจิตม่เห็นผลเห็นอนิสงส์ในตนของตนมันก็นั่งในจิตในเกิดชาระประโยชน์ให้เกิดแต่ความวุ่นวายไม่สบายต่างๆขึ้น ดนั้นต้องปรวจตาที่เจรารักษาจิตในปัจจุบันนี่คือศีมิ้นทานแล้วก็เสียสละมาสีมแล้วก็ได้รักษาอย่างบริสุทธิ์ปลอดภยัยการภาวนาะคือการทําใจให้สงบรักษาใจของตัวให้สงบใจ น, นั้น โดยส่วนใหญ่ไม่มีวันเวลาที่จะได้พักผ่อนเหมือนกายวุ่นวายปรุงคิดในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาดีตที่ผ่านมาอนาคตยังไม่ถึงมันปรุงไปอยู่อย่างนั้นเรานั่งมันก็ปรุงเรายืนมันก็ปรุงเราทํามันก็ปรุงเราหยุดมันก็ปรุงเรื่องของกาย หยุดแต่ใจมันคิดมันตึงแต่นั้นที่จะทำจิตของตัวให้เป็นภาวนาหยุดการตึงจิตจิดข้องในสัญญาอารมณ์นั้นคนที่ยังไม่เคยศึกษาเคยไม่เคยภาวนาไม่เคยรักษาตัวของตัวก็ไม่ทราบวิธีที่จะปฏิบัติให้จิตของตัวได้รับความสงบสงัดได้ ทางศาสนาทางธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านจิตเคยประพฤฏิบัติหรืออัตถนธรรมมาก็มีหลายวิธีที่จะทาแล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคนบางท่านก็กำหนดลมหายใจเพื่อไงไงจิตมันจิตปรงไปที่อื่นเอาเอสติกำหนด อยู่ในลมช่องตนออกก็อเหรู้เข้าก่อเหรู้อเรื่องลมกํกหากหนดอยู่นั้นในจิตไปคิตอื่นเรื่องอืน่นออกยาวเขายาวก่า飒ออกสั่นเขายั่นก่อ飒ลมหยาบก่า飒ลมบางๆางก่อ飒ลมละเอียด ก, ก่า飒หมดลมไปเลยก่า飒 นี่คือาการกำหนดจิตเพื่อจะให้เป็นภาวนาให้สงบระงับเรื่องกิเลสปัญหาอย่างความปุ่งปุ่งของใจก็ทุกคนมีลมเหมื่อยังไม่ตายเชื่อมั่นเปล่าไหมวะใครทั้งหมดจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสมีลมทางนั้นพระพุทธเจ้ากำหนดลมของท่านก่อนจะตัดสู้ จิตใจทั้งท่านจะสงบจึงควรทำได้หากลมเรากาหนดแต่เพียงลมจิตในสงบผงัดให้เราจะเอาคำวรกรรมยกกดัดเข้าใส่ก็ได้กาหนดพุทธเข้าโพออกอยู่นะโดยไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาลมอันอื่นมันก็สงบได้ถ้าหากเรามีนิสัย ในทางลมในอย่างนั้นเราจะบริกรรมพุโทโธพุทโธรู้รรตายตายก็ ไ, ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยฝึกเคยปฏิบัติได้รับความฝึกความสงบสงัดความรัถอนกิเลสมันผิดกันมันเมนเหนืองกันอารมณ์จิตนำมานสอนใจของตัวแล้วแต่อัธยาศัยใครชอบอะไร ็นอันถูกต้องดีงานทางนั้นเ พ, พราะผลมันเหมือนกันในที่แตกแต่งกันจะเป็นอารมณ์สัญญาธรามบอรีกรมกรมหรือพิจนากายหากว่าเราสบายเราลงเรียมเราได้ความสุขจากการแต่ทานั้นมันถูกต้องธรรมะคาสอนของพระพุธทธเจ้าเหมือน ก, นกันกับอาหาร อาหารนั้นเป็นประโยชน์แก่กายของเราคนที่เนี่ทานอาหารนานเข้ากายจะหมดเรี่ยวแรงกายจะเหนียวแห้งกายจะแตกตายอาหารจึงจำเป็นสำหรับกายไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนจะต้องมีอาหารห่อเลี้ยงร่างกายไม่อย่างนั้นกายก็ทนไม่ได้เรื่องของธรรมะ ที่หลอเลี้ยงจิตใจก็ทำนองเดียวกันมันมีมากเหมือนกันกับอาหารของกายอาหารของกายจะเป็นผัดเป็นทอดเป็นปมเป็นแจ้งอะไรทุกอย่างถ้าเราทานลอไปกายของเราก็ได้รับความสุกความสบายหยีมน้ ำ, ำาำํานด์ได้แต่ว่าอาหารอันนั้นมันหยาบอาหารอันนี้มันละเอียด อาหารอันนั้นมันมีคุณค่ามากอันนี้มันมีคุณค่าน้อยบอกไลยได้อาหารอะไรที่ยังกายของเราให้อิ่มหนำ้งรานมีกำลังที่จะต่อจ้านทำการทำงานต่างๆได้ไม่ควรดูหมิ่นมินทาว่าอาหารกระเพรานั้นมันชั่วมันเสียมันเป็นอาหารเหมือนกันมนีการที่เจอมา การภาวนาภายในจัดกำหนดลมหายใจหรือกำหนดบทบริกรรมอะไรถ้าใจของเราสงบงรวมได้ใจของเราละถอนปล่อยวางเกี่ยัญหาค้านเสื่อช้าลามกได้มันก็ถูกมันไม่มีอะไรผิดพอเราบุงผลคือจิตของเราสงบระงับดับความ ขั่เสีเยต่างๆนี่คือผลเหมือ น, นกันกับคนกินทานอาหารผลก็คือทำเอียนถ้ามันอียนได้มันฝุกมันสบายมันถู ก, ถ ก, ถกจะอาหารประเกลือนไหนก็ตามถ้าอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อกายของตัวนี่การภาวานารักษาจิตใจก็ทํานองเดียวกันจึง จะปฏิเศษไม่ได้ว่าท่านสอนอย่างนั้นนั้นผิดสอนอย่างนี้มันยิงถูกถ้าเขาเหล่านั้นเคยปฏิบัติมาได้รับคุณค่าสาร ะ, ะจากทำบทนั้นจากเรื่องอ น, นั้นมันไม่ผิดเพราะจิตของเขาสงบจิตของเขาสงบนีบ่คือผลของการปฏิบัติเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติ อย่างนั้นขอใจของพวกเราท่านถ้าหากเระเพื่อปฏิบัติตามอัตธรรมแล้วมันได้รับความสุขความสงบแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับเรื่องของใจใจนั้นถ้าสงบถ้าสบายเราไปอยู่ในสถานที่ใดมันก็สงบมันก็สบาย ร่างกายหรือโลกทั่วไปจะวุ่นวายขนาดไหนแต่เราทำใจของเราสงบได้มันฝุกมันสบายแต่ไประงรับดับโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นนวุ่นวี่วุ่นวายจะไปทำให้มันสะดวกสบายสงบราบคาบเสมอกันหมดไม่ได้ผิดวิสัย เพราะโลกมันเป็นมาอย่างไรให้ทราบตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นถ้าหากเราจะไปมุ่งว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อยากแจงเขาดีเสมอกันนั่นเราเองก็เดือดร้อนเราเองก็วุ่นวายไม่ใช่หน้าที่จิตของเราที่จะไปคิดไปตึงอย่างนั้น เราจะต้องสอนใจท่องตัวเองว่าการคิดไปอย่ า, างนั้นมันได้รับผลรับประโยชน์อะไรทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีกําลังเหลือแรงอะไรที่จะไปช่วยเหลือให้เขาได้รั บ, บว ค, ววความสุขความสบายได้แต่เราก็เมตตาสงสารอยากจะไปช่วยให้เขาได้รับความสุขความสบายเหมือนกันกับคตนตกน้ําเตรียมจะตายอยู่แล้วยังจะไปช่วยคนอืน่นมันช่วยไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่าน เ, าาเอสอนแบบนั้นท่านสอนให้ช่วยตัวเองก่อนตัวเองได้รับความปลุกความสบายตัวเองมีกําลังเพียงพอบรืบูมเมื่อเห็นคนอื่นผัดอื่นตกทุกข์ใดยากลําบากลาําคาญสงสัยในอัดในทําอะไรที่จะพอช่วยแก้ไขเท่าได้ ท่านก็ให้เนตตาท่องสารช่วยเขาถ้าเขีนว่าเราไม่มีความสามารถกําลังเพียงพอที่จะช่วยเขาได้ก็ปล่อยเขาไปแต่ก็สําคัญให้รักษาใจของตัวเองใจของตัวเองอย่าให้ชั่วให้เสียไปตามเรื่องของคนอื่นให้รักษาใจของตัวเองเมื่อใจท่องตัวได้รับความสุข ได้รับอ่านรับทำจากกา ร, รปฏิบัติจะเป็นการที่นิทิจารนาหรื <c oughs> ีการบริกรรมก็ดีให้มันที่นิทิจานะให้มันบริกรรมให้จิตเรานั้นได้รับความสงบรับความสงบเกิดปัญญาสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงข้องมาเพราะสิง ต่างๆนั้นถ้าหากใจเนี่ยเห็นตามเป็นจริงจะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยไปถ้าใจของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วท่านเรียกว่าปัญญาสามารถที่จะรักษาใจของตัวไม่ให้เอีย ง, ยงไปตามเรื่องต่างๆได้อย่างพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกสาวกอยู่ในโลกท่านคือโลก เคยเป็นมาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่สมัยพระพุทธ้ อ, องค์ยังไม่อุปัติขึ้นหรือพระองค์กรณีนิพพานไปแล้วโลกนั้นมันเหมือนกันปัจจุบันอย่างไรโ ล, โลกอนนะดีตโลกอนาคตเหมือนกันหมดนี่คือการกำหนดที่จะไดนาทางปัญญา เข้าใจขนาดชัดเจนในตัวของตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าโลกมันจะเป็นไปอย่างไรมันจะเป็นไปอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นตามหน้าขี่ของมันไม่มีอะไรที่จะใหม่ในโลกนี้หากที่เรณาถึงำคำคําสอนของพระเจ้าแล้วเป็นจริงอย่างนั้นเกิดมันก็เคยมีแก่เจ็บตายมันก็เคยมี กลางวันกลางคืนเดือนปีมันเคยมีไม่มีอะไรที่จะใหม่มันเหมือน ก, นกันกับที่ผ่านมาเ ป, นเป็นแ้นแสนละล้านปีไม่มีอะไรที่จะสิดแปกแตกต่างกันแต่ที่ถือว่าใหม่พอเราไปเห็นใหม่เลยสมมติว่าใหม่ความจริงแล้วมันเป็นมาอย่างนั้นไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่า ความหลงของเราหลงสมมติเพราะจิตไม่รู้จิตไม่เข้าใจตามเป็นจริงมันจริงหลงวกวนวุ่นวายอยู่เรื่อยไปเข้าใจว่าอันนั้นใหม่อันนี้เก่าแต่ความจริงมันไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่านี่คือจิตของเรารู้เท่าเข้าถึงเรื่องของอัตถิธรรมจริงจังมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะ ติดข้องหอมีอะไรที่จอยากมันหมดคือถึงความบริสุทธิ์ของจิตการที่จะถึงจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก็ อ, อาศัยพวกเราท่านเพืพอปฏิบัติเบื้องต้นก็กำหนบดบริกรรมหรือพิจารณาไปให้ใจที่เคยแส่สายไปตามสัญญารมต่างๆส ง, งบระงับตัวลงไป พอเราสงบระงับลงไปได้รวมลงถึงที่เราจะเห็นความสุขความสบายภายในคือใจติดติดข้องในอารมณ์ท่านยาต่างๆทางหูทางตาทางจมูกลิ้นกายตลอดทิ้นใจเองที่เคยติดข้องว่าดูอันนั้นชมอันนี้ จิตอันนั้นตรุงอันนี้มันมีความสุขนั่นมันมีโดยที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันมีมันเพิ่มกันหลงกันทั่วโลกแต่เรามาประพฤติปฏิบัติกําหนดจิตให้สงบสงัดลงรวมได้เราะจะทราบว่าความสุขความสบายของจิตนั้นมันพอตัวแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเติมอีก เพราความสุขความสงบส่วนนี้มันสุกมันสงบให้เราดูเราเห็นเป็นสันติโกอยู่แล้วมันปล่อยมันวางสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เคยข้องจิตจิตปุงรวมตัวเขาเป็นหนึ่งสู่จุดเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนอกนี้แต่กายของตัวเอง สะาดจิตรวมลงเป็นหนึ่งจริงจังมันไม่เลยมาเกี่ยวข้องเราจะอยู่อิเลียบทใด้ถาใจลงรวมอย่างนั้นมันไม่เลยขาดฝันถึงการเวลาว่นนานขนาดไหนเียดนั้นจิตของท่านจิตสงบลงรวมจริงจังจริงเห็นอนิสงจิตแตกแตกต่างเรื่องของโลกว่าเป็นความสุขจิตไปเสดวิเศษเป็นความสุขจิต หาดยไม่ได้นอกจากการประปฏิบัติภายในเท่านั้นคนที่รูเห็นชัดเจนอย่างนั้นท่านก็พอใจที่จะประปฏิบัติต่อไปเพราะความสุขของใจที่แท้จริงมันไม่ได้ยิงอาศัยอมิรไม่ได้จิดข้องกับวัตถุปล่อยวางปัญญาอารมณ์ต่างๆ หมดไปแล้วมันมีความสุขนี่คือสุขกัเคลื่อไปฏิบัติจะต้องเห็นชัดเจนในตัวเองถ้าหากไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็เกิดลังเลสงสัยนั่งไปก็เหน็ดกอเหนื่อยกว่เมื่อยก็หิวทำอะไรไปก็สงสัยว่าทำไมมันไม่รับความสุขกว่าเพราะมันยังไม่เห็นไม่เป็น มันต้องสงสัยาหากมันเห็นมันเป็นแล้วความสงสัยมันหายไปตกไป ถ, ถือที่มีใจส ง, งบลงรวมเป็นหนึ่งอย่างนั้นถ้าหากอยู่นานๆท่านก็บอกเขานิโรธสมาบัติถ้าหากไม่นานถึงขั้นนั้นท่านก็เชือว่าเป็นสมาธิเป็นสมาบัติธรรมาดาแต่อาการคือมันเป็นมันเห็นมันรู้เหมือนกัน ความวัว่วมเป็นหนึ่งแต่จะนานลึกเร็วกว่ากันนั้นมันผิดกันบางท่านบางคนก็ถ อ, ถอนขึน้นง่ายบางท่านบางคนก็อยู่คนทานใจมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกรวมเป็นหนึ่งอยู่เสมอไปนี่คือใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาบาัตควรจะ เชื่อจะเลื่อมใสในกา ร, ป, รปฏิบัติอาถรรพของพระพุทธเจ้าต้องเห็นต้องเป็นภายในถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่ยอมเชื่อถึงจะพูดได้เรียนมามากขนาดไหนใจติดเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นภายในไม่ได้อาศัยตำรับตาราไม่ได้อาศัย <c oughs> จากการศึกษาภายนอก มันเป็นมันเห็นในตัวของตัวเองถ้ามันเป็นมันเห็นมันรู้อย่างนั้นถึงเราจะสมมติไม่ได้ว่าอันนี้เป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนาหรือจะมาบัตมิโรธอะไรก็ตามเราจะพูดไม่ถูกสมมติไม่ได้แต่ความเห็นความเป็นของเรามันประทับใจเหมือนคนใบ้ ที่พูดไม่ได้เขาฝันอะไรเขาบอกทราบเรื่องของเขาฝันเขาทานอะไรนีรสชาติอย่างไรเขาบอกทราบแต่เขาพูดไม่ได้การพูดได้หรือพูดไม่ได้ที่ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจของเราเห็นใจของเราเป็นแล้วจะ ต, ต้องเชื่ออยากกระเพิปฏิบัติ <c oughs> อยากจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไป คือความเห็นความเป็นอย่างนั้นมันประทับใจมันมีความสุขมันมีความสบายนี <c oughs> ่คือเบื้องต้นที่คนจะเลื่อมใสจะเชื่อมั่นในการสะพืดปฏิบัติของตัวถ้าไม่เห็นไม่เต็นอย่างนั้นมันมเชื่อมัน่นหละแหละ้เยเลวไหล สงสัยว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นในจิตในใจถ้ามันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดความเชื่อความเลื่อมใสและปัญญาก็จะสามารถเกิดขึ้นเมื่อทำไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันต้อง ม, มีทางสงสัยอะไร เพราะมีปัญญาที่จะสอนใจตัวเองสอนอย่างไรขั้นตอนที่เราทําใครเราเามาช่วยเราใครเราเอามาให้ทําไมจิตของเราจริงสงบระงับลงไปได้แต่เมื่อเราทําไม่ได้ใครเรามขาขโมยของเราไปเปล่นของเราไปหน้าที่ของเราเคยทําอย่างไรเราก็ทําไป ถึงตามถึงเวลามันจะเป็นไปนั่นมันเป็นผลของมันขอให้ตั้งมั่นในความภาคความเชี่อพยายามทําอย่างที่เค ย, ยทําไปใจมันจะจนจะเห็นจะรู้ในวันใดกว่าวันหนึ่งนี่คือปัญญาที่จะแนะสอนใจของตัวให้ตัง้งนาตั้งตาเพื่อปฏิบัติความเชื่อ ม, มั่นนั้น นั่นมันมีถอดมีถอนออกจากใจแต่ความคือมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นบางการบางสมัยความเชื่อมั่นของใจมันไม่เคยถอนเคยเห็นเคยเป็นอย่างไรมันจําได้ถึงมันไม่เห็นไม่เป็นมันก็เชื่อมั่นแต่ความสุขเสื่อมนั้นความดีเสื่อมนั้นความประโยชนส่อมนั้นมันไม่มีอยู่ภายนอกมันอยู่ภายในอยู่ในใจของเรา ที่ประบัติปฏิบัติท่านจึงไม่ถอยหลังในการประพทปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละกิเลสมีเรื่องของการประพทปฏิบัติอาจทำถือเห็นเป็นจริงแล้วเชื่อมั่นไม่มีอะไรที่จะดีพิเศษประเปริยบไปกว่ากา ร, ป, รปฏิบัติใจคนเราโดยเต็มใหญ่หนึ่งเรื่องนอก ด่านวัตถุว่ามีอันนั้นจะมีความสุขมีอันนั้นจะสะดวกสบายนี่คือคนยังไม่ ป, ปฏิบัติทางจิตใจนับใส่จิตติดข้องในด้านนั้นแต่ก็ผิดหวังเรื่อยมาในแากใครทั้งหมดว่าได้อันนั้นจะมีความสุขได้นใน ใ, ใจชอบมันก็สุข พอนานๆไปใจเบื iner, galaxies, player, ่อมัน <starters> ก <icking> ็ทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจิงผิดหวังเรื่อยไปเรื่องของโลกมันมีการเบื่อการหน่ายการอิ่นการพอแต่เรื่องของธรรมนั้นไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งรู้ยิ่งเห็นเท่าไรยิ่งเป็นเท่าไรก็ยิ่งมีความเชื่อความเื่อมใจโบดเด่นเรื่อยไปทก สบายในนมีเดื่อนี่คือการปฏิบัติด้านอาชธรรมมันมีความสําคัญมีความจําเป็นสําหรับผู้ที่เคยรู้เคยเห็นจึงไม่นอนใจตายใจไม่ประมาท้าคนเนี่ยเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นอะไรแล้วมันก่อนเน่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคนเราธรรมดาไนี่เคยฝึกรักษาใจใจ ต่อยมันไปตามอำเภอของมันนั้นมันก็มีความสุขอยู่เหมือนกันแต่สุกนิดๆหน่อยๆสุกนั้นอาศัยจิตใจไปคล่องจิตใจไปยินดีใจไปเถิดเพินในสิ่งเหล่านั้นมันก็สุกไปจะจะอาศัยให้มีความสุขอย่างเย็นจริงจังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เมื่อกายมันมีบัตร เกิดความปวยไข้เกิดความไม่สบายขึ้นวัตถุอื่นๆที่เราหามาผือว่าเป็นความสุ k นั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ถึงที่อาศัยที่จะเกาะได้มันไม่หีความสุขความสบายเอาเลยไม่เหมือนอาจเหมือนทำที่เราประพฤตปฏิบัติทางใจ จะไปพึ่งไปอาศัยพึ่งไม่ได้จะมีมากน้อยขนาดไหนใจมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่มีอาจทำถ้าหากระเทศปฏิบัติอาจทำเข้าใจเรื่องของทำเห็นจริงเรื่องของทำทำนั้นจะรักษาใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขัดข้องตามเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้น ทางกายเพราะถ้าเนือที่ที่เจนายตามความเป็นจริงของมันแล้วอนิจจังความแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของเรื่องต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณหรือหาวิญญาณไม่ได้มันเหมือนกันหมดความเกิดความแก่ความเกิบความตายไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าผู้กระพฤติธรรมหรือหาการประพฤติธรรมไม่ได้ มันเป็นเหมือนการบวดการไปคิดทำหรือทำอใจทำใ่ใจเราจะห้ามกัน้นความแก่ความเจ็บความตายได้ค่ะเรายังมีการเกิดอยู่เมื่อไรความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีอยู่เมื่อนั้นเมื่อใจโถถึงอัดทำจริงจังรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเหล่านั้นกายมันแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป ก็คอยใจเรื่องของกายขนาดที่ของมันมันเป็นอย่างนั้นใจของเราหวั่นไหวเอียงไปตามเรื่องของกายได้ไหมกายมันแตกสลายไปใจมันแตกสลายไหมมันยังวุ่นวายขัดข้องกับอะไรเราพิจารณาเรื่องของใจถึงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเลื่อนโทรมจะเสียหาย จะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปเพราะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นทางเดินเป็นทางปติบัติเข้าใจแจ้งชัดในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าใจแจ้งชัดจริงที่เป็นนิจจังอาจทุกขังอนัตตาคืออะไรเข้าใจอีกผู้มาเห็น เปลี่ยนที่แเปลี่ยนแปลงต่างๆมันไม่มีทางสงสัยจิตของฉันจึงไม่หวันไหวจิตของฉันจึงสุขจึงสบายในต่อไปถึงพาใสอะไรอื่นถึงกายจะแตกสลายไปใจที่บริสุทธิ์มันจะแตกสลายไปด้วยใจนม่เคยป่วยข้า ในเคยหวั่นไหวกับสัญญาอารมณ์ถ้ารู้จริงเขียนแจ้งถึงขั้ น, น, นไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะเกิดทำงด้ไม่มีอะไรที่จะก่อควลืตัวเองนี่คืออนิสงส์ของการประฏิบัติปล่อใจชับในตัวทือปฏิบัติปฏิบัติได้อย่างนั้น จอมีความสุขความสบายทั้งตายทั้งอู่ไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะขัดข้องอยู่ไปก็ถื่าดีจะได้มีชีวิตอยู่เรื่อยไปคนที่มุ่งหวังตั้งใจอยาก ต้องการบุญต่องการสืบสวนเพราควรจะได้มาส า, า, า, าบไหว้สักการะบูชาเพราะเราเองหมบดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปไม่มีอะไรที่จะบําเพ็ญอีกไม่มีอะไรที่จะละอีกเข้าใจตายไปก็ดีไม่มีอะไรเกี่ยางขาดขันมันจะไปตอบยันใจให้เกิดทุกข์ ทุกของถาดของขันมันไม่มีในรัติชอบเรื่องของมันท่านจริงอยู่ก็ดีตายก็ดีไม่มีปัญห า, ใ น, น า, า, าในเหมือนพวกเราธรรมดาไม่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือจะตายไปเสียใจอันอ น, đang น, น đang ั้นยังไม่ได้ทำอันนั้นยังไม่ได้ร็ดคิดอยากจะมีชีวิต เป็นอยู่อยากจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้ถึงที่นี่เป็นธรรมดาของผู้ยังหนุ่มจบเรื่องการแต่คือปฏิบัติคือจบเรื่องของตัวแล้วจะหนุ่มสาวเด็กเล็กอยู่กอดตามมันเหมือนกันหมดไม่มีความป่าถนะว่าเรายังนุ่มอยู่ในควรจะเป็นอย่างนี้ยังสาวอยู่เนควรจะตายมาเด็กชิด เพราะชีวิตที่ประเปฏิบัตินั้นมันถึงขั้นถึงที่สุดถึงมีมดในใจไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่ต้องการอยู่ไปนานขนาดไหนอะไรที่จะเกิดยุด่ยเศษอีกมันก็ไม่เห็นว่ามันมีในจิตในใจว่าต้องการอะไรอีกที่สุดของการปฏริบัติเมื่อประปฏิบัติไปถึง จะทราบเองว่าไม่อยู่ในวงของสมมติไม่อยู่ในถนนหนทางนักทั้งแปลมันพ้นไปหลุดไปเข้าใจเดี่ยวตัวเองไม่มีอะไรที่จะปรารถนาอีกความสงบระงับละเอียดอ่อนของจิตของใจเคยไปศบพบมา ในการบอกพูดปฏิบัติแ่ขงขยัน ข, ขนาดไหนมันก็ถอนออกมาได้เนี่อมันถอนออกมามันก็รับเรื่องต่า ง, างนนๆนานาเรื่องเหล่านี้เข้าใจดีในการบอกพูดปฏิบัติเนี่ยมันถึงที่สุดมันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรไปอีกเพราะใ น, นตัวของมันเบลบอกอยู่แล้วนั่นคือความบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่จะไปเกือยแฝงมันมีสะพานสมมติอะไรที่จะเข้าไปถึงท่านจริงให้เชื่อว่าสมมติดีมุดเพื่อพ้นจากสมมติต้องเข้าใจต้องเห็นจริงในตัวจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นจริงในตัวจะพูดขนาดไหนคใครก็ไม่เชื่อเพราะ ดีไสนของสัตว์ทั่วไปไม่เคยไปพบเห็นมา ก, ก่อนถ้าหากพบเห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ก่อพบก่อชาติอีกมันไม่เคยพบเห็นมันจะมีพบมีชาติมาเมื่อไม่เคยพบเห็นใจที่ได้ให้สร้างขนาดไหนใจจะไม่เคยพบเห็นไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ทราบเหมือนกันกับ ตาบอดมาแต่กำเนิดจะอธิบายสีแสงขนาดไหนมันไม่ทราบเพราะมันไม่เคยเห็นถ้ามันเห็นแล้วบอกนี่ขาวเขียวดำแดงเท่า น, นั้นมันทราบพอตามันเห็นนี่จิตใจของพวกเราคือแบบเพื่อปฏิบัติของท่านองเดียวกันเมื่อไปเห็นใจเต็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีทางสงสัยว่าวิมุตติพระพุทธเจ้ารู้เห็นเป็นอย่างไร มันไม่มี ท, ทางสงสัยพอเราเห็นเราเป็นในตัวของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นก็เกิดสงสัยเรื่อยไปจึงตั้งหน้าตั้งตาภาวานารักษาจิตของตัวทุกคนมีสิทธิททดดาทา์ที่จะปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าถ้ากรรมฐานอยู่ป่าอยู่เดงเถรนั้นที่จะปฏิบัติใจของท่านเราไม่มีใจหรือเราหมดที่เหลือหรือจึงจะไม่ปฏิบัติตัวของเราถ้าเราเป็นโรค เราไม่รักษามันก็ไม่มีทางหายเราจะต้องรักษาโรคบางอย่างโรคหวัดโรคายปล่อยมันไว้นานๆถึงวันถึงเวลามันหายไปผ ม, มโรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคี่เรศทางใจเป็นโรคที่จะรักษาได้ให้หายขับแต่ปล่อยเอาไว้จะให้มันหายไปเองไม่มีทาง แต่นั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยาสำหรับรักษาโรคกิเลสตันหายหายขาดจัดจึงตาหน้าต่างตาภาวนาทำความเพียรกำหนดจิตกำหนดใจไล่กิเลสให้ออกไปจะให้จิตใจไปข้องคิดติดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแล้วก็คววนนำทุกข์มาให้ มั น, นะมนมมที่เจนามันแกะไขกำหนดจิตกำหนดใจของตนโอกาสเวลาจิตเจตปฏิบัติภาวนาก็มีโอกาสเวลา <c oughs> ที่ททาาาเรามีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะดีจะยิ่งเถ้าจิตไม่ดีไม่ยิ่งเสดยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วก็ยัมมยงมีกิเ ล, ต ล, ล, เเลสติดต่อไปโรคของใจจึงเป็นโรคที่หนักตัว ย่งกว่าโลกของกายพวกของกายเรารักษาไม่ได้ยินยาไม่หายตายไปเผาไปฝังดินมันหายมันไม่มีอะไรติดจิตไปไปสู่พบ ส, สู่ชาติต่างๆได้มันหายมันขาดอย่างโรกของกายส่วนโรกของใจไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าเรารักษาไม่หายตายไปมันยังจิตขล้องเรื่อยไปยิ่เดือดปนหาสิมีอยู่ในจิตในใจจะก่อพก่อชาติต่างๆใจที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายไปเกิดได้พบใดชาติใดยิ่เดือดที่เคยมีอยู่ในใจเหมือ น, นั้นจะแสดงออกวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดก่อพก่อชาติอีก ฉะนั้นจึงหน้าตัวโลกของจิตน้าตัวกว่าโลกของกายใครประเภทปฏิบัติต่างนาต่างสารักษาโวกของจิตให้หายไปได้คนนั้นสุขคนนั้นสบายถึงโลกของกายจะทับถมโจนจีขนาดไหนใจของท่านในวานไหนใจของท่านสุขใจของท่านสงบใจของท่า น, น, นสบา ย, น, บายนี่คือความ สุขความสบายภายในยสู่จิตสั่งใจเพยยื่อปฏิบัติอัธิธรรมจึงหมกวนมองข้ามใจสุขเพียงอย่างเดียวจะอยู่สถานที่ใดจะไปสถานที่ใดไม่ว่าจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดิน ม, มันสุกมันสบายไม่มีอะไรวุ่น ว, วายก่อขวนตัวเองใจทุกอย่างเดียวจะมีอยู่มือกินมีหลับมี อ, มอนอนขนาดไหนมันก็ไม่สุกมันสนบายให้ ใจแจ็ทุ ก, กข์ปอบพอใจหลงใ จ, จ, ใ จ, จกิเลสใจเจ็บสกขปอบพอใจปอบพิชิตปฏิบัติตามอัตถธรรมของผู้พุทธเจ้าฉะนั้นเราทุกท่านมีสิทที่จะ ป, จประพฤชิปฏิบัติตัวของตัวให้ได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ยังไม่ถึงความล่มหายตายไป อย่าไปสิ่งความดีไปทางหน้าเพราะธรรมะไม่ใช่ลูกบอลที่จะเตะเล่นต้องนำมาคิดวิจายนาศาึกษาปฏิบัติกายวาจายใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียรีบชำละ ส, ะสางออกไปจิงใดที่จะนำความสุขความจเจริญมาให้หรีบกอบกวยรีเำบำเร่งกับทํมบ่าเพน